ดวงใจคนที่คอยมอบความ ทุกโอกอดทั้งเคยทุกวัน เก็บไม่เหลือใครก็ยังมีแม่รอยแผลไม่เหลือใคร จากมาในใจทุกวัน ลาถูกอบกอดดังเคยทุกวัน นาน... นาน... นาน... เหนื่อยล้าไม่เหลือใครก็ยังมีแม่งานหนักช้ำรักเจ็บ